อาณาสยามยุทธว่าด้วยกองทัพยสยามกรุงเทพได้ยกผลนิกายไปกระทําการศึกสงครามกันจัดลาวกุงข่าวชาวเมืองเวียนจันเป็นต้นเหตุดูเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันจัดขมิญยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทามหายุทธนาการในรัชกาลที่สาลกรุงเทพเมื่อจุลศักราชหนึ่งพันหนร้อดสปีจออศก ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่สิบเอ็ดของทัพไทยจักเจ้าอนุฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภวดีขึ้นแค่ติดตามเจ้าราชวงศ์ไปถึงฝั่งแม่น้ำโขง ไม่ทันเจ้าระชวงเจ้าระชวงหนีไปไกลฝั่งแล้วจึงสั่งให้ทหารเที่ยวหาเรือจะติดตามไปเรือก็ไม่มีจึงกลับมายังค่ายทุ่งบกหวานสั่งให้พระยาเชียงสาพระยาสงครามเวียงชัยขุมไพรพ ล, พลเมืองสุวรรณภูมิพันเศษยกเข้าสมทบทัพพระยานครสวรรค์ขุมพลไทยพันหนึ่งรวมทั้งลาวเป็นสองพันเป็นทัพหน้า ให้พระยาราชรองเมืองเป็นทัพหลังคุมพลพันหนึ่งให้พระยาราชสงครามเป็นเกียรกายคุมพลห้าร้อยคนยกไปรักษาค่ายเก่าที่ทุ่งบกหวานเพื่อจะรักษาต้นทางไว้ให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายเป็นปีกซ้ายปีกขวากองหน้ากองหนุนพร้อมเสร็จเจ้าพระยาราชสุภวีดีเป็นแม่ทัพหลวง ก็ยกทัพใหญ่เดินทัพเร่งรีบมาตั้งค่ายอยู่ที่ค่ายเก่าพรานพราวสี่ค่ายในวันที่มาถึงพรานพราวนั้นแต่ยังตั้งค่ายไม่เสร็จเจ้าพระยาราชาสุภวดีทรงพระยานครสวรรค์แม่ทัพหน้าให้คุมพลพันห้าร้อยยกข้ามแม่น้ําโขงที่ท่าส้มหาดสายตื้นๆข้ามพลไปในเมืองเวียงจันทร์ให้ทันท่วงทีล่าให้จงได้สั่งพระยาราชาสงคราม พระยาพรชัยรนลิศพระยาพิชิตนรงค์ขุมพลคนละพันยกไปเป็นกองหนุนแต่ให้ยกไปข้ามที่ท่าช้างข้ามท้ายเมืองเวียงจันทร์ให้ยกเข้าพร้อมกันทุกทัพทุกกองสั่งให้พระยาราชรองเมืองอยู่รักษาค่ายที่พรานพร้าวและเร่งคนให้ทำค่ายให้โดยเร็วสั่งให้กองพระนรงค์สงครามเมืองนครราชสีมายกพลทหารห้าร้อย ไปรักษาด่านทางข้างตะวันตกให้พระยาเชียงสาพระยาสงครามเวียงชัยคุมคนร้อยหนึ่งไปเที่ยวหาเรือใหญ่น้อยตามชาวบ้านเก่าเก่าเก็บมาไว้เพื่อจะได้ข้ามผู้คนไปในเมืองเวียงจันทร์ให้พระพลสงครามกับหลวงบุริทนทร์นายด่านเมืองนครราชสีมาคุมพลทหารห้าร้อยยกไปรักษาทางข้างเมืองหนองคายท่าข้ามครั้งนั้น พระยานครสวรรค์ก็ยกพลข้ามเข้าไปในเมืองเวียงจันทร์ได้เห็นแต่เมืองเปล่าหาได้พบกองทัพลาวตั้งต่อรบไม่มีแต่ผู้คนที่เจ็บไข้แก่ชราทุพพลภาพอยู่ประมาณสามร้อยเศษกับครอบครัวที่ชะกันที่ไม่ยอมไปกับเจ้าอนุและไม่หนีด้วยคงอยู่ในเมืองเวียงจันทร์ประมาณสี่ร้อยคนเศษมีนายหมวดนายกองควบคุมอยู่เป็นหมู่หมู่ฝ่ายพระยานครสวรรค์ สั่งให้ไปพานายหมวดนายกองครัวมาไต่ถามได้ความว่าเจ้าอนุเจ้าราชวงศ์พาครัวหนีไปจากเมืองเวียงจันท์ได้สี่วันแลว้วเจ้าอนุอพยพครอบครัวขึ้นช้างโคต่างไปทางทิศตะวันออกพาครอบครัวไปมากแต่พวกครอบครัวข้าพเจ้าสี่ร้อยเศษนี้ไม่ยอมไปด้วยเจ้าอนุเพราะเห็นว่าเป็นการลําบากพลัดพรากครอบครัว แล้วก็จะไปไม่ตลอดได้และเมื่อเจ้าอนุจะหนีไปนั้นเจ้าอนุก็ได้สั่งให้ทหารเก็บปืนใหญ่น้อยที่เหลือจากการบรรทุกช้างและโคต่างไปไม่หมดให้ขนลงทิ้งในแม่น้ำโขงเสียสิน้นฉันแต่พระพุทธรูป ง, า, ง, งามๆดีๆก็หาผา ม, มาทิ้งแม่น้าโขงเสียด้วยทั้งทรัพย์สินเงินทองของใช้สอยของครอบครัวพลเมืองลาวที่เหลือไปไม่ได้ เจ้าอนุสั่งให้ทหารเก็บขนถิ้งน้าเสียหมดแต่สบเยงอาหารในยุ่งฉางนั้นเจ้าอนุสั่งให้ทหารนำไฟจุดเผาเสียให้สิ้นเชิงไม่ให้ไว้เป็นกำลังแก่ไทยต่อไปแต่พวกครอบครัวที่ไม่ยอมไปด้วยเจ้าอนุนั้นพากันร่วมใจคิดเกียดกันไว้ไม่ยอมให้เฝ้ายุงฉางจวนจะเกิดเป็นกบฏขึ้นอยู่แล้วเจ้าอนุ เห็นพวกครัวพร้อมใจกันจะเป็นกบฏไม่ยอมให้เผายุงฉางดังนั้นเจ้าอนุประพาครอบครั ว, รวอพยพหนีไปในเวลาเช้าตรู่ขณะนั้นพระยานครสวรรค์แม่ทัพน้าได้ทราบข้อความตามพวกครัวบอกดังนั้นแล้วจึงสั่งให้หลวงยกระบัดเมืองนครสวรรค์กับหลวงสุรยะเสนีคุมพลทหารที่แบ่งไวให้ห้าร้อยให้อยู่รักษาครัวราวในเมืองเวียงจันไว แล้วพระยานครสวรรค์ก็รีบยกกองทัพออกจากเมืองเวียงจันทร์ในวันนั้นรีบไปติดตามเจ้าอนุไปได้ห้าวันจึงถึงบ้านไผ่ใกล้เมืองเพ่นก็ไม่ได้พบเจ้าอนุพบแต่ครอบครัวลาวเจ้านายชายหญิงต่างๆตั้งชุมนุมอยู่ที่ป่าห้วยบ้านไผ่กำลังกินข้าวเช้าอยู่พร้อมกันหลวงนาราธิราชเห็นก่อนดังนั้นจึงใช้ให้ม้าเร็วมาบอกแก่พระยานครสวรรค์ พระยานครสวรรค์ต้อนพลช้างเข้าล้อมไว้โดยรอบหมื่นสิทธิกรรมปรมช้างยกปืนหามแล่นหลังช้างยิงสองนับกระสุนปืนไปตกใกล้ชุมชนเจ้าหญิงถูกเด็กอายุสิเอ็ดปีตายคนหนึ่งถูกช้างที่บรรทุกของเตรียมจะไปล้มลงตายเชือกหนึ่งพวกเราลุกขึ้นหันหน้ามายกปืนจะยิงต่อสู้บ้างเจ้าสุธิสารเห็นช้างรบไทมากยกมาล้อมรอบแล้ว ถ้าจะขืนต่อสู้ก็เห็นจะพากันตายเสียสิ้นเป็นแน่จึงวิ่งไปห้ามปรามทหารไว้ไม่ให้ยกปืนยิงโต้ต่อไปให้เก็บเครื่องอาตาวุธมาให้หลวงนราธิราชนายทหารไทยกองหน้านายทหารไทยกองหน้าจึงจับได้เจ้านายชายหญิงหลาวทั้งไพร่ได้ทั้งสิ้นที่ปากห้วยบ้านไผ่ใกล้เมืองเพ็ญณวันพฤหัสบดีเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าค่ำ เวลาเช้าประมาณสามโมงเศษจับได้เจ้าชายห้าหญิงหนึ่งคือชายเจ้าสุธิสารหนึ่งเจ้าเต้หนึ่งเจ้าปานหนึ่งเจ้าปั้นหนึ่งเจ้าดวงจันหนึ่งเจ้าหญิงคําวันหนึ่งเป็นหกคนนี้บุตรเจ้าอนุกับเจ้ารอดหลานเจ้าอนุคนหนึ่งเจ้ารูปงามบุตรเจ้าสุธิสารหนึ่งกับนางสนมเจ้าอนุอีกสามคนชื่อมาลัยหนึ่ง ชื่อวอนหนึ่งชื่อวันดีหนึ่งจับได้วงสารวงเจ้าอนุอีกสามคนชื่อพรมมาหนึ่งเปรมปรีดาหนึ่งพระยากเกรียงดีหนึ่งกับจับได้หญิงสาวใช้อีกสิบหกคนแต่ล้วนรูปร่างงามงามดีๆกับไพรพลได้สี่สิบสามคนพระยานครสวรรค์สั่งให้ทหารทำโงกจำพวกลาวเหล่านี้ไว้ทั้งสิ้น แล้วจึงสั่งให้หลวงทรงวิชัยกับหลวงไกรสงครามคุมไพรพล5 5 0คนคุมเจ้านายชายหญิงพวกเรามาส่งให้เจ้าพระยาราชสุภารีที่ค่ายพรานเพลาแต่พระยานครสวรรค์จึงยกผลทหารติดตามเจ้าอนุกต่อไปส่งให้พระยาเชียงสากับพระยาสงครามเวียงชัยนำทางตามไปในป่าให้หลวงนราธิราชกำกับไปด้วย ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภวีสั่งให้พระยาพักดีนุชิตกับหลวงโยธาบริบาลขุนวิสุทธิเสดีเป็นตุลาการถามปากคำเจ้าสุธิสารเจ้าสุธิสารให้การว่าเมื่อเจ้าอนุหนีไปนั้นเจ้าสุธิสารเจ้าปานเจ้าปั้นเจ้าเต้เจ้าดวงจันหาหรูไม่ขันรุ่งขึ้นจึงรู้ก็ได้ตามเจ้าอนุไปไม่พบ ขันถึงบ้านดอนขอช้างที่นั่นจะได้ขี่ไปตามเจ้าอนุก็ไม่ได้ช้างสักเชือกหนึ่งผู้เลี้ยงช้างบอกว่าเจ้าอนุพาช้างไปเสียหมดแต่เวลาเชา้าหนีแล้วเจ้าสุธิสารกับพวกญาติพร้องเป่าไผ่ก็ต้องเดินไปกลางป่าพอเวลาบ่ายก็ได้พบไอชิมบ่าเก่าขี่ช้างนำมาสี่เชือกไอ้ชิมแจ้งความจริงว่า เจ้าอนุใช้ให้นําช้างมารับพวกเจ้านายบุตรหลานตามไปเมื่อเจ้าสุธิสารพบไอ้ชิมนั้นณนะวันเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบสี่ค่ำไอ้ชิมบอกว่าเจ้าอนุเดินครัวรอคอยท่าเจ้าสุธิสารอยู่แต่ไพรพลในกองเจ้าอนุนั้นหลบลีกหนีเข้าฝ่าดงเป็นอันมากเหลืออยู่เตะเบาวไพร่ที่สนิทติดตามไปบ้างเล็กน้อยหาพอใช้สอยไม่บุตรหลานญาติที่ตามไปนั้นคือ เจ้าราชวงศ์หนึ่งเจ้าเมญหนึ่งเจ้าขัติยะหนึ่งเจ้าหญิงเชียงคำหนึ่งทั้งสี่นี้เป็นบุตรเจ้าอนุกับเจ้าคำป้องอั拉 ร, ราชเทพีเจ้าอนุหนึ่งกับสนมกำนันนางหกคนและไพรพลที่สนิทตามไปสามสิบคนช้างห้าเชือกกับม้าห้าตัวแต่ไพรพลช้างม้าในกองราชวงศ์นั้นจะมีไปมากน้อยสักเท่าใดไอชิมหาทันสังเกตไหม เจ้าอนุกับเจ้าระชวงจะแยกย้ายทานกันไปเพราะเจ้าระชวงป่วยจะไปทางเรือแต่เรือยังหาไม่ได้เจ้าอนุนั้นไปทางบกจะไปทางท่าข้ามช้างแล้วจะไปอาศัยอยู่ที่เมืองพวนเขตแดนยวนก่อนหมายเหตุสิ้นคําให้การเจ้าสุธิสารเท่านี้เจ้าพระยาราชาสุภวดี ได้ฟังคำให้การเจ้าสุสารดังนั้นแล้วจึงสั่งให้เกณฑ์คนเพิ่มเติมอีกห้าร้อยคนให้พระยารามคาแหงขุมพลทหารไปสมทบเข้าในกองพระยานครสวรรค์ให้ช่วยกันติดตามเจ้าอนุให้ได้แล้วให้พระยาอภัยสงครามขุมพลไพรในพระราชวังบวรห้าร้อยคนยกไปตามเจ้ารัชวงศ์ทางเมืองมหาชัยกองแก้วให้ยกเรียบฝั่งแม่น้าโขงไปจึงจะทัน ให้หลวงพักบีสงครามเมืองนครราชสีมานำทัพพระยาอภัยสงครามตามเจ้าระชวงแล้วสั่งให้พระยาประกิตนุรักษ์กับพระสุภาพมาตราเมืองนครราชสีมากับพระพิพิตเดชะหลวงวิเศษธานีหลวงงามเมืองหลวงไกรนารายขุมไพรพลห้าร้อยสิบคนขุมตัวเจ้าสุธิสารและเจ้าชายหญิงบุตรหลานญาติเจ้าอนุลงมาส่งณกรุงเทพ ให้ลงไปทางเมืองคอนครราชสีมาฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีก็ยกกองทัพไปตั้งอยู่ในเมืองเวียงจันท์ที่วัดจันทร์ให้ตั้งค่ายใหญ่แล้วแบ่งคนให้พระยาราชรองเมืองไปตั้งรักษาอยู่ที่นอกเมืองตามชายหาดให้พระยาราชสงครามแบ่งคนห้าร้อยอยู่รักษาค่ายที่พรานพร้าวครั้งนั้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีสั่งให้ ผลทหารไปหรือทําลายบ้านเมืองเวียงจันทร์เสียสิ้นเว้นไว้แต่ศาลเจ้าและวัดเท่านั้นฝ่ายเพียเมืองจันและเผื่อเมืองทรายก็พากันเข้ามาหาสวามิพักต่อเจ้าพระยาราชสุภาวดีเจ้าพระยาราชสุภาวดีมิได้ถือโทษโปรดให้เพียทั้งสองคนไปติดตามเกลี้ยกล่อมต้อนครอบครัวเมืองเวียงจันทร์ที่หนีไปป่าดงได้มาม า, มากน้อยเท่าใด จึงให้ส่งข้ามฝากไปให้พระยาราชสงครามและพระยาราชรองเมืองรวบรวมไว้ที่ค่ายผานเปลา่ากาหนดจะได้กวาดต้อนครอบครัวลาวส่งลงไปกรุงเทพณนะเดือนสิบสองเจ้าพระยาราชสุภาวดีคิดอ่านตัดตอนผ่อนกําลังรีพ ล, ลาวให้น้อยลงสิ้นห่วงใหญ่เจ้าอนุจะได้ไม่มาคิดตั้งบ้านเมืองต่อไปจะให้เมืองเวียงจันทร์ยังอยู่แต่แผ่นดินเปล่า เป็นป่าดงไปตามพระราชาดำนิพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาราชสุภาวดีสั่งให้คนลงดำน้ำหาปืนใหญ่น้อยที่เจ้าอนุเก็บของพระยาพิชัยสงครามไว้ได้ห้ากระบอกแล้วเจ้าอนุก็ทิ้งน้ำเสียสิ้นเมื่อจะหนีไปนั้นฝ่ายกองทัพไทยดำปืนใหญ่น้อยได้สิ้นทุ ก, กระบอกและได้เงินทองของต่างๆเป็นอันมากเงินทองที่ดาได้ แต่ในแม่น้ำโขงนั้นให้แบ่งเป็นสิบส่วนยกให้ผู้ดำได้สองส่วนเป็นหลวงแปดส่วนเว้นแต่ปืนและอาวุธหรือพระพุทธรูปไม่มีสิบลถสองครั้งนั้นได้พระพุทธรูปนากปกทองคำพระองค์หนึ่งทองคำหนักห้าชั่งเจ็ดตำลึงสองบาทพระเนตรฝังพลอยนินข้างหนึ่งแต่ข้างหนึ่งหลุดหายหาไม่ได้ได้ปืนปากแปรรูปคล้ายดอกลาโพงยาวสิบเอ็ดคืบ มีรูฉนวนเต้าดินคร่ำทองคําเป็นลายรดน้ําทั้งกระบอกฝ่ายพระเจ้าเวียดนามทรงทราบว่าเจ้าอนุทําการวุ่นวายฆ่าฟันคนในกองทัพไทยตายมากหาเหตุที่ไทยไม่ได้ขม่มเหงราเลยเจ้าอนุไม่ตั้งอยู่ในความสั์สุจริตดังที่เจ้าอนุกราบทูลพระเจ้าเวียดนามนั้นไม่พระเจ้าเวียดนามจึงรับสั่งให้องค์ทงเจอัครมหาเสนาบดี มีหนังสือมาถึงแม่ทัพไทยฉบับหนึ่งถึงเจ้าอนุฉบับหนึ่งมีท้องตราบังคับสั่งให้เจ้าเมืองล่านาจัดขุนนางกรมการยวนกับไพร ย, ยวนลาวถือหนังสือมาถึงเจ้าอนุและแม่ทัพไทยให้ได้ตามรับสั่งพระเจ้าเวียดนามขันเจ้าเมืองแงอานทราบท้องตราบังคับสั่งมาแต่เสนาบดีดังนั้นแล้วจึงสั่งให้กายโดยถุงเป็นหัวหน้าให้ดินยุกเวียนหูคนหนึ่ง เป็นล่ามพูดภาษาลาวได้กับไพรพล ย, ยวนลาวหัวเมืองขึ้นรวมห้าิคนขึ้นช้างเดินบกมาลงเรือที่ท่าหน้าเมืองมหาชัยกองแก้วครั้นล่องเรือมาถึงเมืองนครพนมยวนทราบว่าเจ้าอนุหนีไปอยู่ในเมืองพวนเขตแดนยวนแล้วขุนนางยวนจึงได้ใช้ให้ล่ามไปหาแม่ทัพไทยที่เมืองนครพนมล่ามก็แจ้งความว่ายวนนำหนังสือมาให้แม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทย แล้วจะขอพบพูดจากับท่านแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยฝ่ายพระวิชิตสงครามวังหน้าหนึ่งหลวงนารารณรงค์หนึ่งหลวงจงใจยุหนึ่งซึ่งตั้งทัพเป็นด่านอยู่ที่เมืองนครพนมทราบความตามที่ยวนลาบ ม, มาบอกดังนั้นแล้วจึงบอกกับยวนว่าแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยอยู่ไกลถึงค่ายพรานพลาวจะมีหนังสือขึ้นไปแจ้งข้อราชการก่อน เมื่อมีบัญชาการโปรดมาประการใดจึงจะให้ยวนรู้ต่อภายหลังบัดนี้ให้ยวนพักอยู่ที่นี่ก่อนจะจ่ายสเสบียงอาหารให้กินทั่วทุกคนที่มามิให้อดอยากขุนนางยวนได้ทราบดังนั้นก็ต้องคอยอยู่ที่เมืองนครพนมฝ่ายพระวิชิตรสงครามมีหนังสือบอกข้อราชการยวนใช้ให้ขุนหารฤทธิรณรงค์ถือหนังสือขึ้นไปให้เจ้าพระยาราชสุภาวีร์ เจ้าพระยาราชาสุภวดรีมีบัญชาให้มีหนังสือตอบว่าครั้งก่อนนั้นพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขราชหลวงสุเรนทรวิชิตกับไพรไทยห้าร้อยหกร้อยมีความประมาทเพราะลงเชื่อถ้อยคำยวนที่มาส่งเจ้าอนุลาวไทยจึงได้ตายเกือบเจ็ดร้อยคนครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ไอยวนมันจะมาล่อลอบไทยให้ตายอย่างครั้งก่อนอีกจะคบหามันไม่ได้ ให้กับจัดยวนเหล่านั้นเสียจากเขตแดนไทยให้สิ้นเชิงฝ่ายพระวิชิตสงครามหลวงนารารณรงค์หลวงจงใจ ย, ยศได้แจ้งหนังสือท่านแม่ทัพใหญ่พูดมาเป็นในในสองทางดังนั้นจึงสำคัญคิดผิดไปว่าจะให้ฆ่ายวนเสียให้สิ้นจึงสั่งคนให้ไปล่อลวงผลนนางยวนและไพร่ให้ขึ้นมาพูดว่าจะเลี้ยงโตเป็นการรับรองทางไมตรี เมื่อขุนนางยวนไม่รู้ในกลอุบายไทยสำคัญใจว่าไทยเชิญให้มานั่งโต๊ะจริงๆจึงให้ไพร่อยู่เฝ้าเรือแต่สองคนเท่านั้นนอกนั้นพากันเข้ามาในค่ายไทยทั้งสิ้นขันขุนนางยวนและไพรย่ยวนลาวไปนั่งลงในที่ค่ายไทยพร้อมกันแล้วนายทัพใหญ่ทั้งสองจึงร้องขึ้นว่าพวกเราเร่งลงมือเถิดพวกพนฐานไทยที่นัดหมายกันแล้ว จึงกรูกันเข้าฆ่ายวนตายทั้งนายและไพร่48คนเหลือยวนอยู่หนึ่งชื่อเลดินยุทธกับไพร่ลาวสองคนถูกอาวุธป่วยลำบากอยู่มากยังไม่ตายส่งขึ้นไปให้เจ้าพระยาราชสุภวดีเจ้าพระยาราชสุภวดีเห็นแล้วว่านายทหารไทยทำการผิดกับคำสั่งแล้วภายหน้าคงจะเกิดเหตุใหญ่โตกับยวนเป็นแม่นมั่น ถึงเช่นนั้นไม่เป็นอะไรเพราะว่าได้ทำการล่วงเกินไปแล้วจะทำอย่างไรแก้ไขไม่ได้ในครั้งนี้จำจะต้องแก้ฝีมือเมื่อปลายมือตามบนตามกรรมครั้นเดือนสิบสองขึ้นสิบสองคำเจ้าน้อยเมืองพวนใช้ให้เพียเมืองกลางกับเบี้ยหัวัยถือหนังสือมาแจ้งความแก่เจ้าพระยาราชัสวดีในค่ายเมืองเวียงแก่นว่า เจ้าน้อยเมืองพวนซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นกับยวนแต่ว่าเขตแดนเมืองพวนติดต่อกับเมืองเวียงจันทร์เมืองเวียงจันทร์เป็นกระบฏ ต, ต่อไทยไทยยกกองทัพขึ้นมาใกล้เขตแดนเมืองพวนจะได้ความเดือดร้อนเพราะเจ้าอนุนั้นเจ้าน้อยเมืองพวนได้ห้ามปราบเจ้าอนุเจ้าอนุไม่เชื่อกลับทำการก่อเหตุร้ายต่างๆให้มาใกล้บ้านเมืองพวนบัดนี้ เจ้าน้อยเมืองพวนก็ได้แต่งให้แสนเท้าคุมกองทัพ อ, อกลาดตระเวนที่ด่านทางถึงการทุกตำบลเพื่อรักษาเขตแดนเมืองพวนด้วยบัดนี้เจ้าอนุหนีไปอาศัยอยู่ใกล้เมืองพวนจะจับเจ้าอนุและครอบครัวเจ้าอนุส่งให้กองทัพไทยมิให้เจ้าอนุหนีไปได้เป็นอันขาดแต่ขออย่าให้กองทัพไทยยกติดตามเจ้าอนุเข้าไปในเขตแดนเมืองพวนเลย กลัวว่าใครบ้านพลเมืองจะสะดุ้งตกใจไปทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองเจ้าพระยาราชสุภาวดีมีบัญชาสั่งให้มีหนังสือตอบขอบใจเจ้าน้อยเมืองพวนและสัญญาว่าจะไม่ให้กองทัพไทยล่วงเข้าไปในเขตแดนเมืองพวนเลยเป็นอันขาดเว้นเสียแต่เจ้าน้อยเมืองพวนจะมีไวไยให้เจ้าอนุหนีรอดพ้นไปจากเมืองพวนนั้น กองทัพไทยจำเป็นจะต้องยกติดตามเข้าไปจนกว่าจะได้ตัวเจ้าอนุได้เมื่อใดจึงจะกลับเมื่อนั้นครันแต่งหนังสือแล้วส่งให้เพียเมืองกลางกับเพียหัวชชยถือกลับไปให้เจ้าน้อยเจ้าเมืองฝวนครันนัดเดือนสิบสองแรมสิบข่ำเพียน้ำโกรธกับเพียอุดมศักดิ์ ก็มาหาเจ้าพระยาราชสิบประีที่ค่ายเมืองเวียงจันทร์แจ้งความจริงว่าเจ้าน้อยเมืองพวนใช้ให้ออกราตเวนด่านทางบัตรนี้พบเจ้าอนุและครอบครัวเจ้าอนุตั้งพักอยู่ตำบล น, น้ําู้เชิงเขาไก่ได้ให้กองทัพเมืองพวนพิทักรักษาอยู่ห้าร้อยสิบคนล้อมไว้รอบแล้วหนีไม่ได้ขันจะจับส่งมาให้ไทยดู ไม่ดีไม่งามใจขอให้กองทัพไทยยกกองทัพขึ้นไปจับตัวเจ้าอนุมาโดยเร็วเทินฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภวดีจึงสั่งให้พระยาสนทรสงครามผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีหนึ่งพระอินทรเดชใหม่หนึ่งพระหารไทยหนึ่งหลวงชาติสุเรนทรหนึ่งคุมไพรพลห้าร้อยไปตามจับเจ้าอนุให้พระยาเชียงสาเป็นผู้นำทัพไป ขันถึงตำบลหาดเดื่อยพบพระลับแผลกับนายนานทติยะเมืองน่านกับเท้ามหาพรมเมืองหลวงพระบางสามนายคุมพลเมืองของตนกองละสามรอยบ้างสี่รอยบ้างทั้งสามกองช่วยกันจับเจ้าอนุและครอบครัวมาได้สิน้นจำตงโงกเดินมาทางนั้นได้พบกันกับพระยาสุพันเวลาจวนค่ำพระยาสุพันสำคัญว่าเจ้าอนุยกมาจะต่อสู้ จึงสั่งให้ทหารแยกออกเป็นปีการับทัพลาวพระหารุไทยกับหลวงชาติสุเรนทรไม่ไว้ใจแก่ราชการจึงขึ้นมาสวนทางไปดูข่าศึกว่าจะยกมามากน้อยจึงเห็นกองทัพแต่งกายสวมเสื้อหมวกกางเกงเป็นเครื่องไทยพระหารุไทยจำหน้าพระลับแยลขี่ม้านำหน้าทหาร น, นั้นได้ถนัดจึงทราบว่าหาใช่ข่าศึกลาวไม่เป็นทัพพระลับแยลเมืองเหนือ กับทัพลาเมืองน่านเมืองหลวงพระบางนายทัพทั้งสามกองมาแจ้งความให้พระยาสุพันบุรีฟังว่าพระยาพิชัยใช้ให้พระลับแป่เมืองหลวงพระบางใช้ให้พระมหาสงครามและเท้ามหาพรหมเมืองน่านใช้ให้นานขัตติยะทั้งสามทัพมาพร้อมกันเข้าตามจับเจ้าอนุและครัวได้สิน้นที่ตำบล น, น้าหูเชิงเขาไก่โพงจุงหน้าด่านเมืองพวน ขุนด่านนายด่านเมืองพวนมานำทัพทั้งสามไปตามจับเจ้าอนุหนึ่งกับเจ้าบุตรเจ้าอนุสามคนเจ้าหญิงชื่อคำแพงหนึ่งเจ้าหญิงชื่อหนูหนึ่งเจ้าชายชื่อหนูแดงหนึ่งกับหลานเจ้าอนุคนหนึ่งเป็นหญิงชื่อเจ้าคาผากับภรรยาเจ้าอนุอีกหกคนชื่อเจ้าคำป้องซึ่งเป็นอักรราชเทวีหนึ่งและนางสนมอีกห้าคนชื่อทองดีหนึ่ง คำไส้หนึ่งบุตรบาหนึ่งคำเกิดหนึ่งบุปพาหนึ่งรวมสิบเอ็ดคนแต่งตัวนายสาวใช้และไพร่ชายได้สี่สิบเศษพระยาสุพันณพระอินทรเดชพระหรุทัยหลวงชาติสุเรนทรพระยาเชียงสาพร้อมกันคุมเจ้าอนุและบุตรภรรยาญาติครอบครัวนำมาส่งให้เจ้าพระยาราชาสุภวดีที่ค่ายเมืองเวียงจัน เมื่อเดินอนายขึ้นสิบห้าค่ำแต่เจ้ารัชวงศ์นั้นหาได้ตัวมาไม่และจะหนีไปแห่งใดก็ยังไม่ได้ความเจ้าพระยาราชสภาวดีสั่งให้พระยาสุนทรสงครามสักถามเจ้าอนุเจ้าคำแพงบิดาและพี่สาวเจ้ารัชวงศ์เจ้าคำแพงให้การต้องคําเจ้าอนุว่าเจ้ารัชวงศ์ถูกแทงและถูกปืนป่วยมา จะขึ้นช้างเดินบกไปกับเจ้าอนุบิดาไม่ได้ครั้นถึงท่าช้างข้ามเจ้าระชงใช้ให้บ่าวไปเที่ยวหาเรือเล็กได้สองสามลำจึงลงเรือพร้อมด้วยบุตรภรยาบ่าวไพร่ชายหญิงช่วยกันพายต่อไปกว่าจะขึ้นไปถึงบกที่ท่าเมืองมหาชัยกองแก้วแล้วจะเดินไปเมืองยวนพร้อมด้วยเจ้าอนุเจ้าอนุก็ไม่พบปะ ก, กัน คอยท่าเจ้ารัชวงอยู่หลายวันก็ไม่พบปะกันคอยเจ้าสุธิสารก็ไม่พบจึงได้พักคอยบุตรหลานอยู่ที่ตบล น, น้าหูเชิงเขาไก่หน้าด่านเมืองพวนพวกกองทัพไทยไปจับมาได้ดังนี้หมายเหตุคำให้การเจ้าอนุเจ้าคำแพงเท่านี้เมื่อเจ้าพระยาราชทัศาวดีได้ทราบความตามคำให้การเจ้าอนุดังนั้นแล้ว จึงสั่งให้พระยานรงค์สงครามคุมพลเมืองนครราชสีมากับพระยาพิชัยรนลิตรคุมพลทัพกรุงยกไปตามเจ้าระจงทางบกให้พระยาสงครามเวียงชัยนำทางไปสั่งให้พระยาวิชิตนรงค์กับพระยาสุพรรณคุมพลทหารยกทัพเรือไปตามเจ้าระจงให้พระยาเชียงสาเป็นทัพนำทางไปให้มหาสงครามกับอินทรเดชยกไปสกัดทางเมืองขมิ เพื่อเจ้ารจงจะไปทางนั้นบ้างให้พระหฤทัยกับพระรามพิชัยคุมกองทัพเรือแยกไปทางเมืองพงทัพลาวทัพไทยได้แยกย้ายกันไปตามจับเจ้ารจงหาได้ไหมสืบถามตามชาวป่าก็ไม่ได้ความว่าไปทางใดพิษใดครั้นณวันเดือนอายแรมสิบสามค่ำเจ้าพระยาราชสุภวดีมีบัญชาสั่งให้พระอนุรักษโยธาหนึ่ง พระโยธาสงครามหนึ่งหลวงเทพนเรนหนึ่งหลวงพิชัยเสนาหนึ่งพระนครเจ้าเมืองขอนแก่นหนึ่งยาชวงเมืองชนบทหนึ่งพระมหาไทยเมืองนครราชสีมาหนึ่งรวมเป็นนายทัพนายกองแปดนายคุ้มไพรพลแปดร้อยคุ้มเจ้าอนุและครอบครัวลงมาส่งให้ถึงที่เมืองสระบุรีซึ่งพระยาพิชัยวารีโต ขึ้นไปตั้งรับครอบครัวทรงสเสบียงอาหารอยู่ที่เมืองสระบุรีนั้นแล้วพระยาพิชัยวารีจึงสั่งให้ทํากรงขังเจ้าอนุตั้งประจานไว้กลางเรือจึงพระอนุรักษ์โยธาพระโยธาสงครามขุมเรือเจ้าอนุตีของตระเวนลงมาตามลําน้ําเมืองสระบุรีถึงกรุงเก่าจนถึงกรุงเทพมหานครณนะวันเดือนยี่ขึ้นสิบเอ็ดค่า เจ้าพรนักงานนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าอานามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่สิบเอ็บกองทัพไทยจักเจ้าอนุเหือเรื่องกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป